สภาวะใจเราเองมีความตั้งมั่นเข้มแข็งมากกว่าคนทั่วไปตามปกตินะถ้าจิตเข้มแข็งในระดับมาตรฐานที่สามารถละกิเลสที่ผูกมัดจิตได้เนื่อที่เราสวดไปเรื่องของทิฏฐินุใสตัณหานุใสเขาก็เรียกว่าเป็นโลกุตระธรรม คือถ้ามันข้ามพ้นได้สักอันเนี่ยที่เห็นร่องรอยของวัดปฏิบัติปฏิบัติแปลว่าเดินตามนะวิบัติเนี่ยแปบลบว่าเสียหายคือไม่ทำตามตรงกันข้ามกันสองอันเนี่ยนั้นแนวปฏิบัติเนี่ยจะรู้ได้เมื่อเราทำความเพียรมากยิ่งขึ้น ปกติเรามีความเพียรอยู่ระดับนึงรู้สึกตัวพอหลุดจากอารมณ์พื้นๆได้แต่อารมณ์ที่ลึกๆเนี่ยมันจะไม่ปรากฏถ้าความเพียรมันไม่ต่อเนื่องจริงๆจึงมีบ่อยครั้งที่พระสงฆ์ว้าเจ้าถ้าทำปฏิบัติทําไปนานๆมันคุ้นเคยเกินไปคุ้นเคยสถานที่คุ้นเคยปัจจัยสี่มันก็จะไหลออกไปได้ง่าย ทำสักน้อยเอาเดี๋ยวไปจับจอบละเอาสักน้อยเดี๋ยวเอานี้มาคิดละแต่ถ้ายัดยมทำสักน้อยเดี๋ยวก็อานั้นมาโทรละอันนี้มาคุยเนี่ยถ้ามันคิดไปเรื่องการเรื่องงานบ่อยๆมันเป็นตันหานหุใสถ้าปกติไม่ได้ทำตามมันมันก็เฉยๆเหมือนเวลาเราตื่นนอนมาเนี่ยทีละครังแม่งเราก็ตื่นเอ้าเดินโยงโกลมหรือลุกเลยนี่ แต่ถ้าเราเผลอเอานอนอีกสักน้อยอย่างเนี้ยมันจะยาวไหมตัวนุใสนียมันชอบแอบมาแบบนั้นแหละคือมันจะโผล่มาโน่นนึงถ้าเราหลงเข้าไปในกระบวนการมันก็ยาวถามว่ามันจําเป็นไม่เหมือนจําเป็นมากตอนนั้นะเหมือนกัน่ะอะไรที่เราจะนึกจะคิดอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะเหมือนจําเป็นไปเลยแต่มันมาเว็บเดียวถ้าเราผ่านนั้นหลือหลุดออกจากนั้นนั้มันก็จะง่ายโจทั้งว่าเอ้าตื่นขึ้นแล้วมันก็ไม่มาเลยอย่างเนี้ย คือมันยังมีความชอบอยู่ความชอบความหลงไหลหรือว่าตัณหามันยังทํางานอยู่แต่ถ้าลูกไปเลยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะก็เหมือนทําได้เธอตัณหาหนุสัยนี่มันจะอยู่ตรงความเพียรไม่เต็มที่ความเกลียดคล้าน น, น่ตัวความเกลียดคร้านเป็นอันตรายคือยินดีในอารมณ์อยู่เนีย ก็มีความยินดีอยู่มันไม่มีโยนิโสซคือไม่มีความละเอียดไม่มีการสังเกตอะไรมากมายเนี่ยอันนี้ก็ยากจะหลุดจากตัวตัณหาโนใสนได้ตัณหาแปลวความอยากอยากในกามอยากในพบอยากในพบก็คือเขาแยกออกไปเลยเลยนะ่อันหนึ่งเป็นอารมณ์กามอันหนึ่งเป็นอารมณ์นน เ, มณเคยเป็นนะ อารมณ์ที่เราเคยเป็นอารมณ์ที่เราเคยติดเอาตั้งตัวดีๆอย่าให้มันง่วงอารมณ์ที่เราเคยสวยนี่นะถ้าบรรยากาศแบบนี้เราชอบเป็นแบบนั้นถ้าเหตุการณ์แบบนี้เราชอบไปแบบนี้เนี่ยจะเกิดไปบนั้เราชอบติดอารมณ์แบบนู้ดเนี่ยมันชอบเป็นหนระบางทีเวลาปฏิบัติทําได้อารมณ์เราก็จะมีความรู้สึกเราอยากเป็นแบบนี้ พอมไม่ได้ก็เริมเป็นทุกข์ละ mm hmm. คือมันมีรอยอยู่ข้างในเขาเรียกว่าร่องรอยร่องรอยอนุใสก็เหมือนร่องรอยเดิมๆนะมันจะมีความอยากอดอยากกันไม่ได้เพียงแต่ว่าปฏิบัติทำแล้วเนี่ยอารมณ์ธรรมะเหมือนมันเป็นความจริงเราคิดว่ามันเป็นความจริง เรายังคิดว่ามันมีเที่ยงคิดไม่ออกเป็นความจริงก็เลยเอาอยากกับอารมณ์นี้อยากให้มันเป็นอยากให้มันเห็นอยากอะไรเป็นภาวะตัณหาแบบหนึง่งคือถ้ามีความอยากเรเป็นดนีเลยถ้าเขาไปอยู่เขาไปอยู่ในอารมณ์นั้นแล้วก็เพลินในอารมณ์นั้นก็เป็นภาวะตัณหาอยากเป็นแบบนู้นเป็นการมัตนาเข้าไปอยู่เป็นภาวะตัณหาบางทีก็ ทำนี้พอทําได้แล้วแต่อยากเป็นอย่างอื่นอยากให้มันดีขึ้นอยากโยนนี่เป็นวิพาทหาล่ะชื่อมันละเอียดนะเพียงแต่ว่าทําไงจะอยู่กับปัจจุบันเฉยๆอันนี้ไม่ได้อยากอยู่หรือไม่ได้อยากหนีนะอารมณ์ตอนนั้นก็ชอบแวบมาอันนี้ก็แวบมาถ้าแวบมาแล้วเราดูเฉยๆสังขารก็จะเกิดดับเฉย เป็นพพเป็นชาติขึ้นมาแต่ขึ้นมาแล้วก็ดับไปตัณหากำลังจะก่อตัวนะตัวตัวทัวให้เป็นความอยากพร้อมยังไม่อยากเลยเราเห็นก่อนปลากราเป็นเวทนาก็ดับเวทนาให้หายไปมันก็ไม่อยู่ของเรานะตัวเวทนาหรือถ้าอยู่ก็อยู่ชั่วพริบเดียวเหมือนกับว่าเรามีสมาธิเอย มีสมารถดับได้ไวอยู่ความคิดมาก็ดับได้ไวดับได้ไวนะแต่สติที่จะมีความหนักหน่วงหรือต่อเนื่องแล้วเห็นสภาวะนี้มันเย็ยนอย่างลึกซึ้งนะมันมีความเย็ยนเย็นลึกลงไปในใจภาวะแบบนั้นน่ะจึงจะไปช้อนเอาตัวอนุสัยสังโยชน์ออกไปได้คือ จิตต้องมีสมาธิที่ตั้งมัน่นสมาธิที่มันคงนระดับที่เป็นศีลสิกขาอธิอธิศีลสิกขาอธิจิตต์อธิปัญญาอธิศีลขหมาเขาเหมือนคนโบราณเขาจะมีอธิฐานเลยจะไม่ทําอะไนั้นเด็ดขาดไม่ทําอะไนี้เด็ดขาดพอมีความตั้งใจแบบนี้มันจะเกิดการต่อสู้กันระหว่างความตามใจ กับการทวนกระแสเนี่ยแต่ก่อนเห็นอยู่ถ้าอารมณ์นี้มาก็เหมือนจะไหลไปทํามันตอนนี้ไม่ยอมไหลเขาตายเป็นตายแต่ไม่ไดวังว่าเขาจะทำได้เลยทันทีนะแต่ก็จะเกิดการต่อสู้กันแหะที่นี่ในการต่อสู้ก็จะเริ่มเห็นมุมมองเห็นเล่เหลี่ยมของอนุใสเห็นกิเลสอี่นี้มันปรากฏเกิดขึ้นเราเคยเห็นว่า เคยทําบบนี้บ่อยๆแล้วจิตเราชอบหลุดไปกับอันนี้ไม่เอาละทีเนี้จะระมัทระวังละทําตัวนั้นลืมกําหนดรู้ทาตัวนี้แล้วไม่ค่อยตั้งมัน่นซึ่งเห็นดูว่าปกติเห็นปุ๊บจะดับปุ๊บอ้าเริ่มเป็นปัญญาอ่อนๆแล้วเห็นปุ๊บดับปุ๊บทีนี้ไอ้ตัวเห็นแล้วตั้งมั่นแบบ น, นี้ได้มาจากไหนจะสมาธิสมาธิอันนี้ได้มาจากไหนได้มาจากสติ รู้ตัวต่อเนื่องสตินี้ได้มาจากไหนมาจากการกําหนดรู้การกําหนดรู้มาจากไหนมาจากศรัทธานะความเชื่อมัน่นความภูมิใจความตั้งใจของตัวเองทั้งโลกนะสมาธิในแปลว่าความตั้งมัน่นความตั้งใจสมาธิความตั้งใจนะแต่เวลาเราปฏิบัติทำนานๆไปหน่อย เห็นสมาธินี่มันไม่ใช่ตั้งมันทำมาไม่ได้ตั้งใจธรรมดาล่ะมันเป็นความโปร่งความโล่งความสงบสงัดความจําชัดของสติปัญญาที่ปรากฏเกิดขึ้นกับเราเราเริ่มเห็นมันลชน้ชัดเจนนสติชัดเจนสมาธิชัดเจนตัวรู้แจ่มใสขึ้นมาอยู่ภายในมันไม่ใช่ตั้งใจเหมือนเมื่อก่อนแต่ถ้าทางโลกนี่เขาแค่ตั้งใจ ทำอะไรก็ตั้งใจนะตั้งใจนะตั้งใจเนี่ยมันจะตั้งในน้อยนะขอเรานี่ต้องปรกครองด้วยสรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาปัญญาทางโลกก็นึกอะไรออกตั้งมัน่นเหรอจะนึกอะไรออกทําอะไรได้แต่ท้งทํานี้ก็จะลึกลงไปหน่อยเป็นอธิจิตตสิกขาเป็นอธิศีนอธิปัญญาเป็นปัญญาอันยิ่งที่สูงขึ้นไปซึ่ง ได้มาจากไ้นได้จะตัวรวมตัวกันของศรัทธาวิทยาสติสมาธิวันนี้ความตั้งใจเยอะความรู้ตัวต่อเนื่องมากมการเห็นความคิดความปรุงแต่งที่ความตั้งใจอยากทำอนนุหน่ำกลายเป็นสังขารแลวเกิดดับได้ไวขึ้นเมื่อมันมาก็เห็นมันดับได้ไวขึ้นดับได้ไวขึ้นนะมันก็จะเริ่มสงบสงัด เห็นชัดว่าตัวปรุงแต่งเกิดดับยังไงมันก็ไหวขึ้นนั้นตัวศีลตัวสมาธิบวกกันเป็นหนึ่งเนี่ยเพื่อมาทําหน้าที่เห็นมันเกิดและดับเกิดเท่าไหร่ดับตอนนั้นดับสั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้ามันคือมันมีประสิทธิภาพละมันรวมถ่วกันมาเป็นอันเดียวกัน แต่ถ้ายังไดกระทืบอย่างไดกําหนดรู้ยังได้ต่อสู้กับความงง ค, ค, ความเงับความเบื่ออะไรมากมายในแสดงว่ามันมันไม่ค่อยทํางานยังไม่ทํางานคือความตั้งใจก็น้อยความเพียรที่จะเรียนรู้ก็น้อยศรัทธาก็มีน้อยความขยันความเห็นความเป็นอนัตตาเนี่ยมันมีน้อยเชื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้เชื่ออะไรนะเชื่อแค่ทุก มีเกิดมีดับนั่นเองนะเชื่อว่าพระพุทธเจ้าสอนเนียว่าทุกข์เนี่ยมันมีเกิดมีดับเราปฏิบัติธรรมเพื่อเท่านั้นเนี่ยเพื่อให้เห็นทุกข์มันเกิดมันดับนะเหมือนพระพุทธเจ้าท่านว่าฉั้นเราศรัทธาเลยอย่างศรัทธาตามพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าทุกข์นี่ยมันมีเกิดมีดับนะเราจะเห็นให้ได้เอเทสานิมีสวามานิมีสตินิรุชม า, านา เห็นทุกเกิดตรงไหนแล้วดับได้ตรงนั้นถ้ามันเกิดตรงไหนกิดดับตรงนั้นคือเกิดและดับได้ทันทีนั่นแหละเป็นสติปัฏฐานเข้าสูตรเข้าคลองเข้าระบบของสติปัฏฐานนั้นเีงถ้าเห็นแล้วดับเกิดที่ไหนดับที่นั่นเกิดที่ไหนเกดับที่นั่นเกิดที่ตากิดดับที่ตาเกิดที่หูเก็ดับที่หูเกิดความรู้สึกแบบไหนมาดับอาการนั้นให้ได้ เพะเมื่อหใดก็ตามที่เราโอ้วันนี้ได้อารมณ์เนาะก็จะเนว่าสติมันทํางานหรือมันเบิกบานเต็มที่นะทุกมันก็จะไม่มีหรือมีก็ปรากฏสการเล็กๆน้อยๆยังไม่ได้ก่อตัวเป็นทุกอคือมันจะก่อตัวเป็นทุกได้เนี่ยมันต้องครบวงจรมาเน่ะนะนะมันแว บ, บขึ้นมาด้วยความไม่รู้มีอวิชชาแล้วมันเกิดปรุงแต่ง เกิดความอยากขึ้นมาความไม่รู้แวบขึ้นมาคิดแวบขึ้นมาเป็นความอยากเป็นความอยากมันยึดแล้วมันเริ่มเกิดอารมณ์ชอบไม่ชอบในความคิดนั้นะแค่นี้เองนะตัวตนมันเกิดนะแล้วเราก็ไหลไปตามสิ่งที่มันเกิดบางทีมันก็บีบแค่ได้จิตบีบแค่เราเกิดความรู้สึกเตลทางจิตนะแต่ทางวาจา ย, ยังไม่ทํางานทางกาย มันไม่ทํางานมันก็เป็นตัว น, น้อยๆแล้วก็ดับไปนะมีแค่วิญญาณแล้วดับแต่ยังไม่เป็นกายเมื่ อ, อไหร่ที่เราทําเราแสดงออกตามมันทางกายมันเริ่มเป็นรูปร่างลแล้วแสดงออกทางวาจามันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างล้วแต่ถ้ามยังไม่แสดงออกเป็นแค่ความรู้สึกนึกคิดก็เป็นแค่วิญญาณเราก็จะพยายามทําให้วิญญาณนี้มันเกิดแล้วก็ให้มันดับอืม เกิดความรู้สึกเกิดมาเอาเป็นแค่วิญญาณดับวิญญาณดับดับวิญญาณวิญญาณตัวนี้จะพาร่างกายสังขารเนี่ยปรุงแต่งเป็นตัวเป็นตนถ้ามันไม่ดับมันก็เป็นการกระทําขึ้นมาเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณสอนกันขึ้นมาอีกเป็นตัวใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆดังนั้นก็พึ่งเห็นว่าเออมันเป็นแค่วิญญาณขัน วิญญาณขันธ์มันเพยายามที่ไปหาไปหาตัววิชาไปหาตัวรูปขันธ์หาการกระทําให้เกิดขึ้นนะอะมันจะมีความรู้สึกอันนั้นไม่เอาแล้วอันนี้ไม่ดีแล้วอันนั้นเสียหายนะชีวิตต้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้นะมันจะขึ้นมาหลอกเราอยู่เรื่อยๆนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัมภเวสีวิญญาณมันแสวงหาที่เกิด ถ้าเราตัวเรารู้สึกตัวอยู่ตลอดมันก็ไม่ชื้นไม่ชุ่มบรรยากาศไม่ไม่เป็นตัญหาราคะให้นนั้ถ้าเราอยู่แบบคนไม่สํารวมตาหูจมูกรินกายปัญหาก็จะปรากฏเกิดขึ้นตรงที่มันจะไหลไปมันจะกลายเป็นบรรยากาศบรรยากาศแห่งมารจะปรากฏเกิดขึ้นทันทีเลยโอ้ไหลมันนึกชอบทันทีเลยทีดถึตปัญหาปรากฏเกิดขึ้นมันคือเข้าไปอยู่ในอารมณ์ทันที เขายังบอกว่ า, าให้สำรวมนะความสำรวมนี่เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้พื้นที่หรือบรรยากาศนี่มันเอื้อต่อการเกิดตันหานั้ น, นตัวสำรวมหนึ่งเป็นอธิพรมิจัน์เป็นเบื้องต้นเรากาลังฝึกใหม่ในคนสำรวมยิ่งดีมันช่วยได้เยอะนะปิดกั้นตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นขึ้นลิ้นกับรสกายกับปัสสะ ที่จะคิดไปสมสีส่สมห้าเป็นแบบไม่ได้ตั้งใจเผลอไปเนี่ยก็จะน้อยลงมันบรรยากาศนะมันก็เรียก บ, บรรยากาศถ้ามันมีบรรยากาศเนี่แต่ก่อนไม่ได้คิดนะมันเคยคิดไปเองนะถ้ามีบรรยากาศเอื้อเฟื้อมันในวัดเราเนี่ยถ้าฝนตกหน่อยนานๆสักพักเราจะเห็นเห็ดขึ้นเต็มมันต้องเ อ, อื้อเฟนะือมันอะดินมันเป็นนะ ที่จริงเชื้อเห็ดมันมีมันมันมีอยู่ตลอดนะเห็ดเชื้อเห็ดมีอยู่แต่ว่าบรรยากาศมันไม่ให้มันไม่บ่มเพราะเชื้อเห็ดในนา น, นต้องชื้นเยอะๆมันถึงจะขึ้นมาชื้นแล้วก็แดดออกเนี่ยมันจะผดขึ้นมาแต่นี้เลยอบอ้าวขึ้นมาตัณหาโนใสัยที่ฐี่นใสัยเนี่ยเป็นแบบนั้นแหละมันเป็นบรรยากาศเหมือนว่าเอ้อความจําเป็นนะ ถ้ามันเป็นจริงนะมันถึงจะไหลเข้าไปในนั่นมันไหลเข้าไปแล้วมันก็จะยึดโอ้มันเคยเป็นนะเราจะเริ่มเห็นโอ้เข้าไปอันนี้แล้วปลายทางมันก็เห็นว่ามันเป็นแบบโน้นะปลายทางคือทุกขปลายทางคือปรุงแต่งปลายทางคือสมาธิสติรุดจากปัจจุบันเผลอไปอีกลนะเนียเราก็เริ่มสะสมอารมณ์ละเพราะมันเพลินสนุกสนานเพลิดเพลินแต่ว่า ภาวะนี้ก็เป็นตัวขัดขวางอขัดขวางโลกุตระธรรมเป็นตัวถ่วงเท่าที่เราจะเบาขึ้นหน่อยก็ไม่เบ า, าเวลารสเกตดูดีเวลาเราทำอารมณ์ได้แต่านั้นมันจะเบาวูขึ้นตัวนี้หลุดออกไปเบาขึ้นเบาขึ้นมันจะเบาเมันจิตมันจะขึ้นสูงได้ง่ายๆใจมันเบา ไม่ใช่เพียงแค่เรากําหนดรู้เฉยๆนะโอ้ยทำมาเรื่องกําหนดรู้อยู่ทำํำนี้่ือกําหนดรู้อยู่มันไม่อยู่หรอกนะมันไปเรื่อยๆแหละเอาโจทั้งว่ามันอยู่ได้ในทุกอริยบทแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องอาศัยความสงบสงัดความวิเวกวคนนี้ยช่วยมันถ้ามันวิเวกเยอะๆสงบสงดัดจนเจือกายจะวิเวกจิตจวิเวกไหนเห็นไหมมันจะเริ่มเห็นความวิเวกปรากฏขึ้นทางจิต กายสงบกายระงับจิตตวิเวกคจิตระงับระงับเรื่องคิดไประงับไว้เหมือนปากเรานี่งับกึบก็นไว้มีอะไรขึ้นก็งับกึบไรระงับหมายว่างับความคิดนะมันจะคิดขึ้นมางับกึบมาเอาดับหายไปอหายไปมันเกิดขึ้นก็หายไปหรือหายไปทุกปรากฏขึ้นมาดับทุกได้ ความปรุงแต่งเกิดขึ้นมากือดับความปรุงแต่งได้ใจมันก็จะว่างกันเยอะนะใจมันว่างใจมันวางใจว่างใจวางวางฉิตวางใจใจสบายพมระ ง, งับดับหายไปมากๆจิตเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรคิดนะไม่มีอะไรต้องปรุงแต่งมันก็จะมีหนะ้าที่จิตตานุปัสนา เห็นไอ้ตัวที่มันผุดออกมาเนี่ยนานๆทีมันมีทีหนึ่งเดินจุงกลมไปนานๆทีมันมีทีหนึ่งแมบขึ้นมามันกำลังจะก่อทัวเป็นพบเป็นชาติทุกเรื่ดับมันก่อนดับสังสารวัฏอันนี้ก่อนจะเพิ่งมันทํางานตัดความคิดหนึ่งปุ๊บโอนชีวิตแล้วก็มีความสุขทังเยอะนะตัดสองความคิดสามความคิดสี่ความคิดวันหนึ่งตัดได้หมดเลยอ่ะถ้าตัดไม่ได้ก็อาจจะเป็นเหลือเหลืออยู่บ้างแต่ก็ไม่ยาว เขาเรียกเป็นพบชาติสั้นๆพบชาติคือมันเข้าไปอยู่ในนั้นมันปรุงทํามันเพลินอยู่สั้นๆแล้วก็ดับมันก่อนกรรมมาพบติดกามรูปปพบติดรูปอรูปประพบติดสมาธิติดปีติติดอะไรพวกเนี้ยติดอรูปฌานมันเนี้ย เราไม่มาติดสักอันมิจะรู้ตัวไปเรื่อยๆรู้ตัวเบาๆไม่ใเจเราไม่ใเจเขาเอาแต่รู้ตัวเพราะรู้ตัวเรามีความสุขอย่างนียรู้ตัวแล้วจิตมันไม่ได้เข้าไปอยู่ในอารมณ์มันเห็นนะเอ้ามันดับได้สบายๆนัเนีเองบางค น, นโอ้ถ้าไม่มีตัณหาแล้วจะไปอยู่ที่ไหนทําอะไรก็ด้วยตัณหาปฏิบัติธรรมก็ด้วยตัณหาด้วยโน้น ด, ด, ด, ด้วยนี้นไม่ใช่นะปฏิบัติธรรมเนี่ย ไห้รู้สึกเฉยๆเนี่ยมันอยากรู้มันอยากมันยังออกไม่ได้ก็รู้ออกไม่ได้มันเบื่อก็รู้มันเบื่อขี้เกียจก็รู้ขี้เกียจรู้แต่ตัวรู้เนี่ยต้องเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านั้น่มันเหมือนแยกตัวรู้ออกมาแล้วดูสิ่งที่มันเป็นแยกตัวรู้ออกไปแล้วดูกายนี้มีอะไรเกิดขึ้นมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยมันหิวมันเบื่อเอ้าเห็นมัน ในขณะนั้นก็แยกตัวรู้ไปดูตัวความรู้สึกความรู้สึกที่เป็นเวทนาพอใจเมย์อพอใจงุนหญิตงุ่นงานง่วงเงาสลึมสลือไม่โปร่งไม่อะไรเช่นนั้นเนี่ยโอ้จิตมันเป็นอย่างนี้เนาะตัวรู้ก็อยู่ต่างหาเป็นผู้รู้มันถ้ารู้มันไม่เข้มแข็งอ้าสลัดออกสัก่อนนะสลัดก่อนให้มันนิ่งก่อนมันยังชอบแวบโน้นแวบนี้เยอะ พอมันปลาไ ป, ไปบ่อยๆมันก็กลายเหป็นเราเป็นตัวตนมันในแน่นนังนนให้เห็นมันก่อนเมื่อนเราจับวัวมาตัวหนึ่งเนี่ยเอาผูกไว้ก่อนผูกไว้แล้วดูลักษณะท่าทางมันดูอาการพิกไส้ยพลคว้าดูเออเอาหายสงสัยละเนี่ยแต่คนไหนที่ดูตอนที่มันเป็นๆได้ดีะพวกหมอพวกแพทย์โรงพยาบาลเนี่ยเขาจะเอาซากศพที่ตายแล้วมาดู มันถึงไม่ขยับกระเยื่นไงนแต่ระบบหลายระบบมันก็เสียหายไปแต่มันก็ดีกว่าเพราะคนเนี่ยใครจะไปให้ตัดเนาะจะให้ผ่าให้อะไรถ้ายังไม่ตายนะอันนี้ตายแล้วก็จะได้ดูดูพลิกไปพลิกมาดูพลิกไปพลิกมาสมาธินี่มันทำให้จิตมันนิ่งแล้วสามารถพลิกไปพลิกมาดูได้ว่าจิตมันเป็นยังไงําไทำไ ม, ไมถึงชอบนะกทำไมถึงชัง ถ้าไม่โกรธท้าไม่เกลียดถ้าไม่มีราคะมีตัณหาถ้าไม่มันจึงไหลไปทำอารมณ์จังละถ้าไม่มีอธิจิตะไม่มีสมาธิเนี่ยมันจิตมันไม่นิ่งให้พอไม่นิ่งมันดูยากจะแวบไปแวบมาแวบไปแวบมาก็ดูเห็นอยู่ได้บ้างอ่ะแต่มันไม่เห็นชัดอันนี้มันค่อยค่อยเคลื่อนตัวนะอาจารย์ชเวเออมันค่อยคยคิดขึ้นมาออันโกรธก็เห็นชัดแต่มันค่อยค่อยโกรธมา มันง่วงก็เห็นชัดเลยมันค่อยๆง่วงเนี่ยเนี่ยก้อนง่วงก้อนค้อนทุกก้อนอะไรต่างเนี่ยตัวปรุงแต่งเท่าไหร่เห็นมันชัดโอ้มันค่อยๆเกิดเรื่อยขนดับนะที่ที้เราทํางานจริงจะมองเห็นแบบนั้นได้ถ้ามันไม่มีอธิจิตตะศิขาสมาธิมันไม่ดีพอเนี่ยมันจะไหลเร็วหมุนไว<ม>เขาเรียกว่าชั่วชัวดีดนิ้วมือเนี่ยชั่วรัดนิ้วมือเดียว ส่วนนิ้วมือเดียวดีตมันถึงแล้วคิดได้เป็นเรื่องแล้วเป็นพบเป็นชาติแล้วอลองลอยในสังสารวัตรได้แล้วทีนี้เราก็ตัดตัดความคิดตัดความปรุงแต่งนั้นอย่าเพิ่งให้มันเป็นกำลังจะคิดไปเรื่องนี่นตัดก่อนเอาวมันก็เป็นต้องเวียนไหวไปถ้าคิดถึงบ้านเนี่ยคิดถึงคิดถึงบ้านกลับไปจะทําน่นตรงนี้เนี่ยมันทํางานแล้วเนี่ยสังสารวัตรมันทำงานแล้ว เราเห็นมันก่อนนะคิดถึงคนรักในนี้คิดกโกรธคนนั้นเกลียดคนนี้อะสั่งสารวัตรมันทํางานถ้าเราเห็นก่อนก็ตัดก่อนเอามันก็ไม่ได้ต้องเวียนว่ายรู้สึกก่อนละสติมาเนะี่ย <c oughs> พอสติมาเอาปัญญาขึ้นเริ่มเกิดปัญญาเกิดก็เริ่มเห็นอ น, นิจจงเห็นอนัตตาปัญญาเกิดเนี่ยคือ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงสเปธธรรมานานังอพินิเวสายะทำทั้งหลายควรปล่อยวางทำก็หมายว่าทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏขึ้นต้องควรปล่อยวางสเพธธรมานาตาทำทั้งหลายเป็นอนัตตาจริยิ่งเป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนถ้ามันมีตัวตนมันจะหมุนเน่ยมันเป็นสังขารมันหมุนสังสารวัตมันจะหมุนทีทําไงจะไม่ให้มันหมุนะ่ะ ก็ต้องเห็นมันชัดๆเดียเห็นมันชัดๆเห็นจังไงเห็นจยกระทั่งไปกลายเป็นความว่างเห็นจนกลายเป็นอนัตตาคือมีอาวุธแค่นี้ก็พอปฏิบัติธรรมเห็นทุกขังเห็นอนิจจังเห็นความไม่เที่ยงลก็เห็นอนัตตาในทุกๆอันทุกๆอย่างธรรมะนี่จะมีอนิจจังอนัตตาอยู่โกรธก็มีอนิจจังอนัตตา รักจะมีอนิจจังอนัตตาหวานเผ็ดมันเค็มชอบไม่ชอบนะวัตถุสิ่งของอารมณ์ทุกอารมณ์แม้แต่นิพานนิพานไม่เป็นอนิจจงนะแต่นิพานเป็นอนัตตาถ้าเรายึดก็ไม่ได้ไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องยึดไม่ยึดนะคนที่ไม่ยึดแล้วจึงเห็ น, นอ น, นิพานถ้ามันยังยึดอยู่ ก็ไม่เห็นนิพพานแล้วบางทีเราเถียงกันนิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาคนที่ยึดยี่วมันเป็นนั้นอันนี้อยู่แล้วมันจะมาเถียงเรื่องนิพพานได้ยังไงจิตมันไม่ถึงคือได้จะดูเฉยๆรู้เฉยๆเราเป็นผู้รู้รู้สิ่งที่มันเป็นมันเกิดยังไงเห็นมันเกิดมันดับยังไงเห็นมันดับอันคือ ด, ดับเลยไม่มีอะไรแค่ถอนความอยากออกท่นั้นเอง ถอนความอยากออกได้มันจะดับหรือทําใจมันเป็นกลางๆได้มันจะดับถ้าไม่ถอนออกได้มันยังเข้าไปอยู่มันก็ไม่ดับนะอันที่มันไม่เป็นอนัตตาเนี่ยเพราะว่าตัวตนของเราเนะี่ยเป็นตัวส่งเส ร, มริมอารมณ์เดียวเนี่ยมันยังชอบอยู่อย่างความง่วงเนี่ยเอาตรงนี้อาจจะดีขึ้นเพวากลับไป บ, บ้านก็ไม่ดีแต่พอมีครูบาอาจารย์ก็ดีแต่พอไม่มีครูบาอาจารย์เอาอย่างละติดง่วงเหงา มันเพราะว่ามันเป็นอะไรอ่ะเอาถ้าฝืนได้ไหมฝืนก็พอได้ยู่แต่ไม่อยากฝืนนี่เขาเรียกว่าอนุใส่ละนะถ้าฝืนได้ฝืนน่ะได้แต่มันไม่อยากฝืนถ้าหยุดคิดก็พอได้อยู่นะแต่มันก็ไม่อยู่่ไมอยากหยุดไม่เห็นว่ามันจําเป็นมันอะไรก็ว่าไปตามเรื่องแต่แล้วเขาบอกให้หนีจากบ้านซะหนีจากเรือนซะหนีจากที่พักซะมันเคยอยู่ตรงนี้มันสะดวกขยับไปตรงนั้นดิมันเคยอยู่ตรงนี้ มันดีติดมันเพลิดเพลินเอาขึ้ยับไปตรงนั้นที่สั้างขีตดูดิคนไหนอยู่ตรงไหนมันก็เริ่มอยากประดับตกแต่งที่มันมันจะไหลออกมาเองโดยธรรมชาติอันนั้นกูก็ไม่สะดวกนี่ก็ไม่สะดวกขนาดทางจงกรมกูต้องมีจอบไว้ประจำเดินไปสนุกไอ้ตรงนี้ก็อันนั้นเนาะจอบไม่ซับอะไรประมาณนี้จิตมันจะเป็นแบบนั้นน่ะทําให้มันเลี่ยนมันเตียนที่นั่งสมาธิตัวนี้ทำไปซะเปลไม่มีอะไรได้อะไรดีมันก็เริ่มหาอะไรทํา มันทำยังไงจึงจะหยุดมันสังขารทั้งหลายไม่ให้มันทำงานได้ถ้ามันยังทำงานนี่ก็เหมือนเป็นน้ำเลี้ยงน้ำเลี้ยงหล่อเลี้ยงออกมามันหล่อเลี้ยงตันหาไว้ไม่ให้มันตายมันยังทำงานอยู่ต่ยังส่งสวยมันอยู่โอ้ยมันก็ทำงานไปเรื่อยๆแล้วแต่ถ้าเราไม่ให้มันมันจะเริ่มแห้งตายโอ้ทำงานไม่ได้แล้วอิสแล้วก็เลิกร้างลาจากกันไป เพราะเพราเราเห็นมันชัดนะมันชัดแต่กระบวนการทั้งหมดเนี่ต้องเริ่มอย่างที่ว่านะปัญญาเห็นมันดับเนี่ยต้องได้สมาธิเยี่ยชัดสติสมาธิเยี่ยชัดชัดก็ได้มาจากกันรู้ตัวความรู้ตัวเนี่ยต้องกําหนดรู้กําหนดรู้เนี่ยอย่าไปคิดว่ากําหนดรู้ไม่เป็นตัณหาเรืออยู่เนี่ยไปทีละน้อยนะเกิดเกิมาใหม่ๆเนี่ยเราจะมาโอ้คนนี้เป็นหมอนั่นเนี่ยมันเป็นไม่ได้หรอกเขาก็ต้องไต่เต้ามา อนุบาลปสมมัธยมขึ้นมาเนี่ยมันจู่ๆมันจะมาเป็นภาพหมอเลยไม่ได้เหมือนกันกิเลสตัณหาทั้งหลายเนี่ยจูย่ๆจะมันมองว่ามันเป็นอนัตตาตทันทีมันทำไม่ได้หรอกมันต้องค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาต้องเริ่มเห็นรูปเห็นนา ม, มาเห็นกายเห็นใจแต่ความเป็นจริงเริ่มเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มเป็นสมมุติแล้วนะเนี่ยคืออนัตตามันจะเริ่มลดลงลดลงลดลงยิ่งถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างก็เป็นเป็นสมมุตินะ มันจะลดลงเห็นสมมุติเราเริ่มเห็นไตรักใจรักเกิดเองดับเองเพอเห็นแต่ละก็จะเห็นปรมัตถ์แหละอะไรพวกนีน้ก็ขยับเข้าไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆปรมัตถ์คือการเห็นจิตตัวเองเกิดดับได้เองอ่ะเราเป็นคนดูยิ่โอ้มันเป็นอย่า ง, งนี้เองเนาะนี่สามารถดูได้สนุกกับการเห็นมันเกิดมันดับจนถ้ามันว่างมากขึ้นว่างมากขึ้นมากขึ้นจิตมันก็เริ่มพ่องใส สจิตประโยชน์ปนังชำระใจให้สะอาดทำดินี่เนี่ยจิตใจนี้มันใสสะอาดมันยังไม่ใสเอ่ยมันยังขุนๆโยู่เราก็ทำให้มันแน่นเข้าทำให้มันใสขึ้นใส่กันเข้าไปกรองเข้าไปอะไรยังขุนอยู่ยังตกไปเอ้วยังชอบหลุดลงไปในอารมณ์นั่นอารมณ์นี้นะก็ทำให้มันหล่นพอมันไม่หล่นมากก็มันก็เริ่มใสขึ้นมาอืม ภาวาน่าเกิดได้ด้วยอะไรด้วยสตินี่แหละสตินด้นเกิดระลึกรู้ระ ล, ลึกรู้ก่อการได้ยินได้ฟังการศึกษาทำให้เกิดศรัทธาศรัทธามาแล้วศรัทธาจะพาทุกตัวทำนะคุณธรรมทั้งหลายศรัทธาเป็นหัวพาไปละทีนี้มีความเชื่อความตั้งใจจิตก็จะตื่นขึ้นมาง่ายขึ้ น, นนะมันก็สบายสะดวกอา้าวกะพระพรอมกัน